นา้าโน้หลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวเพาะว่าโหสุดบัณฑิตต่อไปเป็นอันว่คราวที่แล้วไว้จบลงตอนที่ท่านบัณฑิตทั้งสี่ย้อนย้อนง้อตอนเด็กที่ต้องเคยอใช้เสีย น, น้าโน้หลานที่รักคงไม่ลืมจะเรียนหนึ่งว่าถ้าใครเขาเป็นครูเรา เขาเรียกสาวอะไรกับเราเราต้องยอมรับนับถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเรามีปัญญามากกว่าให้เขานั่งในที่สูงก็มาเอ่อเขานั่งในที่ต่ำแล้วก็ไม่ดีตุลาี่รักตอนนี้เพราะอะไรก็เพระว่าเราจะกัจกจักลายเป็นคนที่ไม่รู้คน ดัง น, นว่าวันนี้ก็ขอพูดต่อเมื่อบัณฑิตตสื่อเน่งอันนี้อัศนะที่ต่ําแล้วท่านมโหสถบัณฑิตจะให้เรียนปัญหาคนละข้อคือบอกให้คนละข้อบันดิตต้องสื่อเมื่อเรียนเขรื่องแล้วต่างคนดีใจลามโหสถกลับบ้าน แต่ว่าเป็นขึ้หน้าขึ้นดาอยู่นิดหนึ่งว่าตอนนี้ตอนที่ท่านโอโห้คนดิบโอสถมันดิบแหรียนไม่ทราบบรินอะไรท <c oughs> ่านว่าย่อดว่าตอนนี้ไปไว้ฟังก็เท่าน้าเพราะวันลุกขึ้นมันดิบก็พากันเข้าไปโจทยที่ไประชุมท้องพระโรงของพระราชา <c oughs> ต่างคนต่างเข้าเฝ้าพอได้เวลาพระราชาก็เสด็จสู่ท้องพระโรง เมื่อมทับที่พระแท่นที่บัพท์แล้วในทอดวันเล็ดเห็นบัณฑิตทั้งหลายหน้ามือข้ารการพร้อมเครื่องกันดีแล้วมีแล้วเจ้าเล่นมีพระราช ด, ดํารัสมีการเสพระราช ด, ดารัสตัามเสนกบันดิตผู้ใหญ่กว่าก่อนว่าถ้าอาจารย์เสียนกท่านคิดปัญหาเนี่ยแล้วอยัง อาจารย์เสแล้าก็กลาบทูลว่าข้าแต่อขอฤชะข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อข้าประบาดชี้แก้ไม่ได้คนอื่นใครเล่าจะแก้ได้เจียค่ะนะ่ะเบ่งซะแล้วมีคนอดเลวอากติโยไม่รู้คุมคนอย่างนี้เขมันดาโูกหลานทั้งหลายยะงถือเป็นตัวอย่าง พระราชาที่สรงตัดว่าดีแล้วอาจารย์อาจารย์คิดได้ก็พูดไปเถิดอาจารย์เส้นนกจูงขาดทุนไปตามที่ตนเรียนมาจากโโหสถว่า <c oughs> คนานั้งหลายโราไปยืนคนทั้งหลายชอบรับประทานเนื้อแพะแต่ก็ไม่ชอบรับประทานเนื้อสุนัขบัดนี้แพะกับสุนัขได้มี แต่มีมติทำต่อกันไม่มีความเป็นมิตรต่อกันเพ่าะงั้นนะท่านเส้นนกไหมจะกล่าวทูลข้อความตามนี้ก็หาไม้รู้ความหมายในท้ายคํำที่ตนกราบทูลไหมมีเป็นอะไรมาห้องสดบัลลิกแกลําหน้าโด่งกันส่วนพระราชาทรทราบความหมายก็ดีได้ดีแล้ว เพราะว่าการที่ปรากฏกับพระองค์ตรงกับที่เสนอกราบทูลเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเข้ามาไทยว่าเสนนกรู้เมื่อถามปุกุสะอาจารย์ตอบไปว่าถ้าปุกุสสะถ้าว่ายงังไงจะแก้ได้หรือไม่ได้ถ้าบุกุสสะก็กราบทุนว่าขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเสร็จ ข้าพระบาทได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตประจพระราชนสมณะของพระองค์ปัญหาเพียงเท่านี้แก้ไม่ได้ก็กง็โง่เต็มทีแต่ความจริงคนทั้งสี่คนนี้ได้คิดแล้วก็เป็นคนไม่คนรครบคนดีโออดไม่ยชคนมีความดีเป็นคนเลวมีนักษสดงคนเลวเพียงลู่หลานที่รัก จงอยาถือเอาเป็นแบบเป็นแผนเรืการปฏิบัติคพราะราชาหรือพระเจ้าวิเทธราชที่นี้ต้องเลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็อาจารย์ว่าไปที่มีความคิดเห็นเป็นประการใดท่านประกษ์จะไม่กราบทูลว่ากล้าทูลนะตามที่เดนมาจากมโหสถเมื่อคนทั้งหลายใช้หนังแพะสำหรับ ปูบนหลังมาเพราะว่านั่งสบายใช้หนังสือไม่ยอมใช้หนังสุนักมาบัดนี้แพ้กับสุนักโดยเป็นมิตรซึ่งกันและกันแล้วพระเจ้าค่สะสัตว์ที่เป็นมิตรซึ่งกันและกันนี้ก็คือแพ้กับสุนักคามจริงท่านบุคุณศกดิเมื่อฟังจะมองว้าสดตจก็ไม่เข้าใจชัดเหมือนกัน ว่ามันดีมันช่วยเหตุผลมันยังไงความหมายที่ตรงกางลางทูลว่าไปตามเขาบอกไม่คือความคิดเขตนเองเสว่าชาทรงสร้างความหมายแล้วก็ส่งข้าวมาไทยคิดว่าบุคคลจะคงจะรู้เตือนแก่กับท่านการมินทะต่อไปว่าอาจารย์ท่านอาจารย์การมินท่านจะว่ายังไงคิดได้ไหมคิดได้แล้วก็พูดไป ให้การมึงก็กลับทูลตามที่เรียนมาจากวะโหสถว่าแพ้มีเขาโคสุนักไม่มีเขาแพกจินหญ้าสุนักกินเนื้อบัดนี้แพกับสุนักก็มีความเป็นมิตรซึ่งกันและกันความจริงก็น่ า, นาคิดดีเหมือนกันเขาว่ากันคนละเรื่องเั <c oughs> นอยากตั้งการมินก็เหมือนกัน ล, ก ล, ลูกหลานที่รัก พูดตามเขาว่าเขาบอกอาจารย์นั่งสี่คนเนี่ยแก้ปัญหาแบบนกแก้วนกขนทองคือนกแก้วนกขนทองคงก็สั่งให้พูดก็สอนแล้วพูดเขาพูดไปตามนั้นแต่เนื้อแท้จริงๆนั่นเขาจะรู้ความหมายเขาบอกหิวข้าวแล้วจ่าหิวข้าวเราจ่าแต่วันดีคนอาหารมาให้ก็จํ า, าได้ว่าไอ้ศัพ์นี้เขาเริ่มหิวมันเป็นอันตรายสที่ได้อาหาร ในสัพพีพูดไปอย่างนั้นไม่เข้าใจถ้านท่านการมินทะก็เช่นเดียวกันพูดไปก็ไม่ได้รู้ความหมายอะไรเป็นอนั้นหรว่าการมินทะหรือว่าอาจารย์นักสีก็สามารถเ อ, อ, อาตัวรอดได้มิมิทคําว่าตัวรอดได้มิมิทเพราะว่าไม่ให้ความคิดคนตนท่านเทต่อไปก็ถามท่านเทวินอาจารย์ทีิน ท่านเทวินก็กาะตุนตามที่มโหสถกล่าวบอกมาว่าแพกินหญ้ากินใบไม้ไม่ไล่ะต่ายหรือแมวสุนัขไม่กินหญ้าไม่กินใบไม้แต่ว่าไล่ะต่ายแต่ว่าไล่แมวบัดนี้แพกับสุนัขมีความเป็นมิตรต่อกันพระเจ้าค่ะท่านอาจารย์เทวินก็เหมือนกันพูดไปแบบนกแก่นกกทองไม่รู้ความหมายเป็นไงกไม่ทรบ เป็นนาฏพิมาว่าคอยตอบได้กอแล้วกันอันนี้ส่านบราชาทรงทราบข้อความเข้าใจว่าท่านเทวิ น, นีคงจะรู้เรื่องจึงเซงแต่ถามโมโหสดไปว่าตอบไปว่าพ้อโมโหสถบัณฑิตเมื่ออาจารย์ทั้ทสทวว ง, สงสี่ทั้งแก้มาว่าอย่างนี้ความเห็นของเธอมีความเห็นใงไง่ แต่ราขอสดึงกลาทูลว่าขอเดชะพรบารมีปกกล่าวข้าพระพุทธเจ้าทราบข้อความแล้วพระเจ้าค่าพระราชาทรงดีพระไทยจึงนแตถามว่าเธออันไห น, นเมื่อรู้แล้วก็ว่าไปสิหลวก็กลาทูลว่าแพะมีสี่เท้าแล้วก็แปดกีบ แฝกายนําเนื้อมาให้สุนัขสุนัขแฝงกายนำหญ้ามาใหแต่แพะพระเจ้าวิทยรราชทรงประทับอยู่บนพื้นยาวของพราสาทได้ทอดเป็นเมตถเห็นว่าธรรมที่เป็นมิตรคือสัตว์ทั้งสองเป็นมิตรซึง่งกันและกันระหว่างแพ้กับสุนัข ก, ก็คือองค์เองนี่เขาบอกว่าอย่างนี้ ผอ้เผสดพูดชัดๆว่าแพะมีสี่เท้าแล้วก็8ปจิตแฝงกายเข้าไปนำเนื้อมาให้สุนัขสุนัขแฝงกายเข้าไปนำหญ้ามาให้แพะเพื่อองค์ทรงปรยทับอยู่บนพื้นยาวของปราศาสในทอดจรนเนธเห็นสัตว์ทั้งสองเป็นมิตรเชื่งกันลกันคือแพะกับสุนัข ข้าพระองค์เข้าใจว่าพระองค์ทรงตัดเป็นตัดปัญหาข้อนี้มาคองม่งหมายตามนี้ไปเจ้าค่าพระราชาไม่ได้ทรงสนับก็ทรงพอพระทัยในการแก้ปัญหาของของมันดิบเหล่านั้นอย่างยิ่งไม่คว่าชอบใจทั้งหมดก็ทรงตบพระเราตบเขานะพระเราในเขา ไม่รู้ตู่เป็นเด็กๆก็ไม่รู้เป็นการเข้าพับเปล่าพับเปลาไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นเปล่าก็เลยคิดว่าเป็นเปล่ากลมๆไปความจริงสับนี้เข่าของพระราชาเขาเรียกว่าเปล่าต้องเข้าชาติชาติด้วยความสมนัติดีใจสิ่งสำคัญว่าวันฑิตทั้งห้ารู้ปัญญารู้ดับปัญญาของตนเอง กรทีสงกก่งตัดกรณความภาคภูมิประไทยว่านี่เป็นาปราบอันดัสุของเ ร, เราเราได้บันทึกที่นี้อยู่ในสนักทุกคนรู้คงจะรู้แจ้งแทงตลอดไในปัญหาลึกลับของเราและทุกคนกล่าวถูกต้องตามความหมายของเราที่ปัญหาที่เราถามเราขอขอบใจแล้วก็กำลังจทานราชมทียรถเทียมมาสดอน แล้วทรงราชทานรถเท่ามากสดอนคนละคันไม่แล้วก็ให้บ้านสวยที่มีผลประโยชน์มากคนละหมู่บ้านเป็นรางวัลให้บ้านสวยนี่สมัยบ้านที่เจ็ดภาษีนะ่นตรงหลานที่รั ก, กมันติตกันห้ามมาได้รับราชทานรางวัลโดยความยินดีแล้วก็ถวายวัณฑถวายบัณฑคมลากลับบ้านของตนของตน ฝ่ายพระเมรุธมพรทีวีเมื่อทราบว่าพระสวา ม, มีพจาทานรางวัลกบบรรมดิตทั้งห้าจำนวนเท่ากันจึงใจมันหนึ่ว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยื่งที่จะพระเจ้าทานรางวัลเท่ากันเพราะว่าบันิตทั้งสีไม่ได้มีความคิดไม่มีปัญญาที่จะปัญหาไรในตนเอง อาศัยมโมโหสดน้องชายของเราเป็นผู้บอกให้กันแล้วจ่นได้สงเสนาะไปพาพระราชาสวามีกราทุนให้ทรงทราบกระทูนว่าหม่อมฉันได้สาวาแลพระโอะทุนกับพ่อทพระทุนกับหม่มแก้วพระยาทานรางวันกัมณฑตท้งห้าเท่าเท่า ก, กันใช่หรือไม่เจ้าค่ะ แปเจวิเทียร่าก็สรงจัดว่าถูกแล้วนองรักเมื่อปัญหาของพี่เขาต่างคนต่างแก้ได้พี่ก็ต้องให้เขาเท่ากันวันนานยน ก, ากานกราถว่าทุ่นกระหม่อมแก้วทรงทราบหรือไม่ว่าบัณฑิตแห่งสีนั่งแก้ปัญหาเขาไม่อง์ได้เพราะใครเป็นเหตุหรือว่าได้เป็ญยามาจากใครพี่ทักยง ให้เจ้าเทวราชทรงตอบว่านี่ฉันไม่ทราบพระค่ะฉันคิดเองว่าเขาแก้ของเขาแล้วเองนะพระนางธมพรยังกล่าวทนว่าบัณฑิตทั้งสี่มีด้เสียนกเป็นต้นอาศัยความคิดของตนเองแก้ปัญหาไม่ได้ดอกพระเจ้าค่ะพระโหสถเป็นผู้บอกให้เพราะว่าส ง, งสารบัณฑิต ท, ทั้งสี่เห็นว่าเป็นคนแก่คนเฒ่า อยู่ในพระราชาสนาคมานานเป็นคนเก่าคนแก่เกรงว่าจะถูกพระองค์ในประเทศจปเสียจากวันแขวนยิ่งเลืมดบอกแก้บรรกันแก้ปัญหาให้ให้เขาไปแก้ปัญหาพระองค์จะเลือดบอกวิธีแก้ปัญหาให้และในการตีใบให้เองการที่พระองค์ทรงพระราชาทานรางวัลยาขาวเท่าเท่ากันหมองฉันคิดว่าไม่สมควร ควรจะว่าอย่าทานรางวัลกจะมะ้มโหสถมากเป็นพิเศษกับคนเจ้าค่ะพระราชาทรงยิ่งถึงความดีของมโหสถมากขึ้นพระราชาได้ดาาฟังฟังว่าโมโหสถมีจิตเมตตาในบัณฑิตทั้น์สีกลับเห็ว่ามโหสถเป็นคนดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมมีความยักมโหสถมากเมื่อลูกหลานที่รัก คนที่มีความเมตตาปราณีไม่ฉาญิสัญญาใครย่อมเป็นที่รักของคนทหลายแบบนี้คนดีเขารักแต่คนชั่วเกลียดชังเขาคนชั่วเราไม่นควรจะคิดเพรเป็นอ น, นว่าเมื่อท่านชอบใจมากขึ้นที่ไมทออ่ที่ชอบใจก็เพราะว่าโมโหสดมันนิตัวเองคิดได้อาจารย์อื่นคิดไม่ได้ ไปกลับบอกปัญหาให้แล้วก็ไม่กราบทโทรนักองค์ทราบว่าปัญหาที่วันดิเที่ยงสีแ่แกนะเป็นปัญหาที่ตนให้นี่เป็นเครื่องประทับใจของราชาตามืในความมีว่าวันดิเที่ยงสี่รู้ปัญหาเพราะมโขสถแต่มโขสถก็ายังนิ่งไว้ทําใจสบายเพิ่มในดัมมิที่บเพิ่มภูณราศการะให้แต่มโขสถให้มากยิ่งขึง้น แต่ว่าเรื่องนี้มันก็เลยไปแล้วเนี่ยมันแล้วไปแล้วเอาไว้เรื่องใหม่ดีกว่านึงตัดก็ว่านางธงพรว่าน้องรักแล้วขอบใจพันนางที่บอกให้พี่รู้เรื่อง้าเถอะเรื่องนี้มันแล้วไปแล้วก็ไม่แล้วกันไปอย่าไปย้อนหลังมันเลยแล้วให้แล้วถ้าเราไปคืนดึงเอากลับมาแล้วเพิ่มใหม่เพราะนีกลายเป็นคนอากติมีความรักไม่เที่ยงทัน ถ้าเช่นนั้นแล้วก็เอาไว้ตั้งปัญหากันใหม่ถ้าหากว่ามโหสกเก้ได้เราจะให้วันเป็นพิเศษต่อมาตามเรื่องสมบติว่าวันหนึ่งขณะที่พระราชาทรงประทับที่ท้องพระโรงเราบรรดินนเข้าเฝ้าพร้อมกันพระราชาจรงรับสั่งในที่ปรชมแต่พวกบรรดินนว่าวันนี้ เรามีปัญหาที่ถามพวกท่านอีกเรายะขอถามอาจารย์เสนนกก่อนวันนี้ล่อ ก, กับปัญหาสดๆซึ่กแล้ว่าชนสองพวกพวกหนึ่งสนบูรณ์ปด้วยปัญญาแต่ไม่มียศไม่รั์ที่พวกหนึ่งสนบนบญญ ม, ม, ม, มสบูมนบนบรณ์ได้วยซับเลยศแต่ก็ไม่มีปัญญา การสองพวกนี้พวกไหนคนที่ยกย่องว่าเป็นพวกบัพเตศแม่ตอนนี้สนุกโรหลานที่รักนี่ได้ฟังพระเทศตอนนี้บัพเตศมากสนุกมากถ้าอาจารย์เสียนกเจี๊ยบนากาโทนทันทีว่าคนฉลาดแม่มีชาติคกลงสงแต่ก็ไม่มียศหนทรัพย์ ก็ต้องเป็นคนรับใช้ของบุคคนที่มีชาติแต่ควรสูงแต่มียศแลวก็โทษก็ต้องเป็นคนรับใช้ของคนที่มีชาติแต่ควรต่ำแต่มียศและก็มีทรัพย์ดังนั้นข้าพระองค์เห็นว่าคนที่มีปัญญาไม่ประเสริฐ ก, กว่าคนมีทรัพย์แล้วก็มียศ ค, คนที่มียศเป็นคนประเสริฐ ก, กว่าพระพุทธเจ้าค่า นี่ตอนนี้เป็นปัญหาของคนสน่อนอกกราบถูนนะเป็นอาวาธศักด์บัญญาตนี่ลูกหลานที่รักเป็นเรื่องสนุกถ้าฟังเัาไปแล้วก็ฟังแล้วคิดเองนะว่าเขาแก้อย่างไมบางทีเขาแก้บอกคนอันคนฉลาดแม้มีชาติกูรูสูง แต่ไม่มียศไม่มีทรัพย์ก็ต้องเป็นคนรับใช้ของบุคคลที่มีชาติโคตรต่ำแต่ถ้ามียศแล้วก็มีทรัพย์ดังนั้นเขาจะมีความเห็นว่าคนที่มีปัญญาน่ะไม่ไปสวยกว่าคนที่มีทรัพย์มียศเพรว่าจะว่าคนที่มีทรัพย์แล้วคนมียศเป็นไปสวยกว่าเป็นอันิวาเขาแก้ตามความเห็นของเขา เมืเ่อเรื่องเสนกประกาศโทนดังนี้ก็เพราะแต่กโกนของเสนกเป็นในโกนที่มีทรัพย์มากแล้วก็เป็นผู้มียศใหญ่ราชาที่สนับคำปรกาศโทนของเสนกแล้วก็ทรงไม่ได้ตัดถามัณฑิตริกสามคนหันพระพักมาถามว่าโคศที่นนั่งอยู่ท้ายแถวว่าพ่อมาโคศนี่เจะจะว่าอย่างไร ระหว่างคนที่มีปัญญากับคนที่มีทรัพย์แล้ก็มียศเธอเห็นว่าอย่างไหนว่าเฉยกว่ากันท่านในหัวสดในหัวสดนี้กล่าวถึงว่าคนมีทรัพย์มียศจะประสิทธิ์จากปัญญาก็เชื่อว่าเป็นคนผานแล้วก็เป็นโง่ถ้ามัดาคนผานแลน้วคนโง่ย่อมสงคัญว่ายศก็ดีทรัพย์ก็ดี เปสิ่ ง, งจินคิดแต่จะจึงคิดแต่จะสร้างความชั่วเพราะอาศัยยบและอาศัยทรัพย์คนผ่านคือคนโง่ไม่จะเห็นโลกนี้เมื่จะเห็นแต่โลกนี้ไม่เห็นโลกนาเชื่อว่าเป็นคนข้อร้ายในโลกทั้งสองข้าพระบาทเห็นเหตุนี้จึงขอกราบทูลว่า คนที่มีปัญญาจะใส่กว่าคนโง่แล้วมีทรัพย์มียศเต่แค่ะามีถือใจความ ง, ง่ายเส้นนกบอกว่าคนที่มีทรัพย์เกิดในตระกูลต่ําแล้วะมียศเขาจะใส่กับคนที่มีปัญญาสําหรับมโหสดบอกว่าคนที่มีปัญญานั่ยนะเขาจะใส่กว่ า, ญญ า, า, วาดีกว่า ความจริงก็ไปอย่างนั้นแหละถ้าคนที่มีทรัพย์มากแต่เป็นคนโง่มีเยอะก็ตามว่าถูกคนที่มีวัญญาณหลอกเราจะเห็นได้ไม่ยากเมื่มโอโหัวสดกลับทูนจบแล้วพระราชาจะได้ทอดนเสน่ห์มาทางเสียนกว่าเออพอเสียนกว่าอย่างไงถ้าอาจารย์เสียนกที่หัวสดค่อยๆสังเกตเขามีวัญญาณ น, นะ แต่ว่าถ้าอาจารย์สังเสริมคนที่มีลาบแล้วก็มียศแล้วถ้าเนี่ยยังไงต่อไปไหนเราพูดใหม่ฟังสิอยากจะฟังม่เห็นผลขยันดีไม่ดีาอาจารย์เซลนจึง ก, กลา่าวทนงว่าขอเนชะเม่โคสดนี้ยังเป็นเด็กนะักคลิ่นน้ำมันยังไม่หมดจากปากตั้งทุกวันนี้ แล้วเธอจะมีความเข้าใจอะไรเพราะวเดียวกคนะอ่กล่าวเริว่าคนที่มีทรัพย์เนะ่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีศนลปะหรือว่าไม่มีความรู้มหายชนก็ยับย่อมนับถือหนาท่ตาเห็นไหมย่อมยกย่องนับถือว่าเขาเป็นลูกที่เขาก็มีเงินดังนั้นทีน่อะไรโครวินดเดศถี ที่มีน้ำลายไหลออกจากปากคณะพูดความจริงเขาเป็นเศรษฐีเวลาพูดน้ำลายหนึ่งไหล ย, ยืดหน้าเกล็ดก็ยังมีคนคนเข้าไปพยายามยอมเป็นคนรับใช้ไปยุบยอดหมอกลาบข้าบแก้วยอมเป็นลงน้องของเขาเขาก็มีความสุขยือดมสมบูรณ์ข้าพระองค์นนว่า คนที่มีปัญญาแต่ว่าเป็นคนต่ำคนที่มีทรัพย์เป็นคนระเสด็จเจ้าค่ะเพราะ่านเําหน้าเกลียดร่างกับไปดีราผู้กันลายไหลจะมีทรัพย์มากก็จะมีคนเข้าไปพนอบนอยอมเป็นรับใช้ไปให้ค้าเขาแต่ว่าคนที่ไม่มีปัญญาถ้ามีทรัพย์จะรปเสด็จอะไร ในแต่ปัญญาปัญญายันเดียวมันสร้างความอิ่มไม่ได้มันซึ้งับไม่ได้เรื่องโควินาเศรษฐีนี่ที่ท่านเสนกล่าวท่านยกมาอ้างกราบทูลพระราชานั้นเรื่ออยู่ว่าท่านเศรษฐีโควินทมีสมบัติแปดสิบโกศเมื่อที่เมืองที่ลามาหานครนั่นเอง เป็นคนมีรูปร่างมีกิการไม่มีโรกแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรเลยเวลาพูดน้ำลายก็ไหลออกมาที่คางทั้งสองข้างมีสติรู่รงามเหมือนกับนางฟ้าสองคนพื้นดอกบบ๋เขียวเมงานที่บันแล้วแล้วก็ยืนอยู่ทั้งสองข้างคว้าดอกโบ๋นั่นรับน้ำไาย แปลว่าเทเี่ยงนี่มีข้าในต่างไม่นา่นะนากลิดนะคนมาเกลียอสุราที่ต้องการจะได้ดอกโบกเขียวอันดอกโบกเขียวพิเศษกากรีเข้าโรงสุราก็มักจะไปที่บ้านท่านเศรษฐีแล้วก็รองเรียกมเมื่อท่านมหาเศรษฐีได้ยินเสียงนักเกลือสุราร้งเรียกก็ไปยืนถามที่หนาต่างว่าจะมาเรื่องฉันทําไม ขณาที่พูดน้าลายก็ไหลออกจากปากของสตรีเอาจากปากบรรดาสตรีทั้งสองนั้นจึงเอาดอกบบกเขียวรองรับน้ำลายแล้วก็โยนทิ้งลงไปที่ถนนบรรดาเนศเดินสุรายาเมาจนไหลต่างก็หยิบอันดอกบบกเขยียวเอาไปล้างน้าแล้วก็ไปบรรดับเข้าไปในโรงสุราโก้ของเขาไม่ได้หา อาจารย์เสนนกในอ้างอีกหนึงครวินาทีขึ้นมากราบทูลเขาบอเห็นว่าคนมีทรัพย์เป็นคนดีเสดพระราชาได้สรงสดับคำว่าเสนนกกราบทูลนันแล้วจ้าได้สรงแต่กรโหสดว่าดูก่อนกมโห้องสดบัณฑิตเจ้าจะแก้เขาว่าอย่างไงแต่วันนี้แก้ไหวหรือไม่ไหวลองแก้สักนิดหนึ่ง โอ้โหพอจิ้กลาถูกว่าข้าแต่สมมติเทพเโนนกะรู้อะไรเห็นแต่รัพย์กับดุอย่างเดียวไม่แลนเหลียไม้ค้อนที่กำลังจะตกอมฤติศัก์เหมือนก็กาอยู่ที่ข้างเหมือนก็กาอยู่ที่ที่ในที่วัดเทเข้าสุกหรือว่าเหมือนกับสุนัขที่อยาจะดื่มน้ำส้ม ขพระองค์อยากจะได้เชื่อขอพระองค์จึงอย่าได้เชื่อเลยพิจารณาแล้วก็กลาบทวนต่อไปว่าคนที่มีปัญญาขามีความสุขแล้วก็ประมาทในชีวิตเมื่อถูกความทุกข์เข้ามาครอบงำย่มหวั่นไหวเหมือนปลาที่ดินในน้าร้อนเมื่อมีสุขก็ย่อมล่มหลงหมัวเมาข้าประบาดเห็นอย่างนั้น เจึงกล่าทูลว่าคนมีปัญญาไปเฉยกว่าคนโง่ที่มียศและมีทรัพย์ไปเจ้าค่ะคนที่มียศแต็ม่นก็มีทรัพย์แต่ว่าเป็นคนโงห่หามประเสรใหม่อัลบรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายวันนี้เวลาขึหมดไปแล้วต้องขอยกติวัตเพียงเดือนนี้ข อ, อยกหลานให้รักรับฟังต่อไปในวันหน้าขอความสักสวัสิิพิพัฒน์น้ำมงคลสมบูรณ์ผลผล ยังมีเดลหลานที่รักทุกคนสวัสดี